ปีดกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยเล่มที่ยี่สิบเกพระสุตตันตปีดกมหานิเทศพระสุตตันตปีดกขุธกนิกายมหานิเทศ ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอัตกะวักหนึ่งการมสุตรตานิเทศอธิบายการมสูตรว่าด้วยกามสองอย่างพระสารีบุตรเทระจะกล่าวอธิบายกรรมสูตร ด, ดังต่อไปนี้หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้ากามนั้นสำเร็จด้วยดีแก่สัตว์นั้น ผู้อยากได้กามอยู่สัตว์นั้นได้กวามตามที่ต้องการแล้วย่อมเป็นผู้อิ่มใจแน่แท้คําว่าผู้อยากได้กวามอยู่อธิบายว่าคําว่ากวามได้แก่กวามสองอย่างแบ่งตามหมวดคือหนึ่งวัตถุความ 2. กิเลสความวัตถุกวามคืออะไรคือรูปเสียงกลิ่นรสโภภพธพภะที่น่าพอใจ เครื่องปูราดเครื่องนุ่งหม่มธาตุหญิงชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาที่นาที่สวนเงินทองหมู่บ้านนิคมราชธานีแคว้นชนบทบองผลรบคลังหลวงและ ว, วัตถุที่น่ายินดีอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ชื่อว่าวัตถุกามอีกในหนึ่ง กามที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันกามที่เป็นภายในที่เป็นภายนอกที่เป็นทั้งภายในและภายนอกกามอย่างหยาบอย่างกลางอย่างประณีตกามที่เป็นของสัตว์ในอบายที่เป็นของมนุษย์ที่เป็นของทิพกรามที่ปรากฏเฉพาะหน้าที่เนรมิตขึ้นเองที่ไม่ได้เนรมิตขึ้นเองที่ผู้อื่นเนรมิตให้กามที่มีผู้ครอบครองที่ไม่มีผู้ครอบครอง ที่ยึดถือว่าเป็นของเราที่ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราสภาวะที่เป็นก ร, รมอมวจรที่เป็นรูปาวจรที่เป็นอารูปาวจรแม้ทั้งปวงกา ร, รที่เป็นเหตุเกิดแห่งตัณหาเป็นอารมณ์แห่งตัณหาที่ชื่อว่ากรรมเพราะมีความหมายว่าน่าปรารถนาน่ายินดีน่ารุ่มหลงเหล่านี้เรียกว่าวัตถุก ร, รมกิเลสกามคืออะไร คือความพอใจความกำหนัดความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจความดาริความกำหนัดความกำหนัดด้วยอำนาจความดาริชื่อว่าตามได็แก่ความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ความเพลิดเพลินด้วยอำนาจความใคร่ความทยานอยากด้วยอำนาจความใคร่ความเยื่อใ่ด้วยอานาจความใคร่ความเร่าร้อนด้วยอำนาจความใคร่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 เจ้าเกิดเพราะความดำ m ิเราจักไม่ดำ m ิถึงเจ้าอีกเจ้าจาักไม่เกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อีกละเจ้ากลามเอย๋ยเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกามคำว่าผู้อยากได้กลามอยู่ได้แก่ผู้อยากได้กลามคือผู้ต้องการยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังกลามอยู่รวมความว่าผู้อยากได้กลามอยู่คำว่า ถ้าแก่สัตว์นั้นในคำว่าถ้ากามนั้นสำเร็จด้วยดีแก่สัตว์นั้นอธิบายว่าสัตว์นั้นคือผู้เป็นกริยัพรามแพทยสูตรครหัตบรรพชิตทเท ว, วดาหรือมนุษย์คำว่ากามนั้นได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะที่น่าพอใจเรียกว่าวัตถุการคำว่าสาเร็จด้วยดี ได้แก่สำเร็จผลสำเร็จด้วยดีได้ได้รับสมหวังประสบรวมความว่าถ้ากรามนั้นสำเร็จด้วยดีแก่สัต์นั้นคำว่าแน่แท้ในคาว่าย่อมเป็นผู้อิ่มใจแน่แท้เป็นคำกล่าวโดยในเดียวเป็นคำกล่าวโดยไม่สงสัยเป็นคำกล่าวโดยไม่เคลือบแคลงเป็นคำกล่าวโดยไม่เป็นสองในเป็นคากล่าวโดยไม่เป็นสองอย่าง เป็นคำกล่าวโดยรัดกลุ่มเป็นคำกล่าวโดยไม่ผิดคำว่าแน่แท้นี้เป็นคำกล่าวที่กำหนดไว้แน่แล้วคำว่าอิ่มได้แก่ความอิ่มเอิบความปราโมชความบันเทิงความเบิกบานความร่าเริงความรื่นเริงความปลื้มใจความยินดีความมีใจสูงความมีใจแช่มชื่นความเต็มใจ ที่ประกอบด้วยกลามคุณห้าคำว่าใจได้แก่จิตมโนมานัสหาไทยปัญระมณนะมนายตนะมนินสีวิญญาณวิญญาณขันมโนวิญญาณขันที่เกิดจากภาษะเป็นต้นนั้นนี้เรียกว่าใจใจนี้ไปพร้อมกันคือเกิดร่วมกันรักคนกัน เกี่ยวเนื่องกันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันกับความอิ่มเอิบนี้คำว่าย่อมเป็นผู้อิ่มใจได้แกเป็นผู้อิ่มใจคือเป็นผู้มีใจยินดีมีใจร่าเริงมีใจเบิกบานมีใจแช่มชื่นมีใจสูงบันเทิงใจปราบลืมใจรวมความว่าย่อมเป็นผู้อิ่มใจแน่แท้ คำว่าได้ในคําว่าสัตว์นั้นได้การามตามที่ต้องการแล้วได้แก่ได้คือได้แล้วได้รับแล้วสมหวังแล้วประสบแล้วคําว่าสัตว์ได้แก่สัตว์ผู้ค้องอยู่นรชนมานพ บ, บุรุษบุคคลผู้มีชีวิตผู้เกิดสัตว์เกิดเป็นไปตามกรรมมนุษย์ คำว่ากามตามที่ต้องการได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะตามที่ต้องการยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังรวมความว่าสัตว์นั้นได้กามตามที่ต้องการแล้วด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าถ้าการนั้นสำเร็จด้วยดีแก่สัตว์นั้นผู้อยากได้กามอยู่สัตว์นั้นได้กามตามที่ต้องการแล้ว ย่อมเป็นผู้อินใจแน่แท้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าเมื่อสัตว์นั้นอยากได้กรามอยู่เกิดความพอใจแล้วกรามเหล่านั้นเสื่อมไปสัตว์นั้นย่อมเจ็บปวดเหมือนถูกลูกสอนแทง คำว่าถ้าเมื่อสัตว์นั้นในคําว่าถ้าเมื่อสัตว์นั้นอยากได้กรามอยู่ได้แก่เมื่อสัตว์นั้นคือผู้เป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรพระรหัตบัณฑิตทเท ว, วดาหรือมนุษย์คําว่าอยากได้กรามอยู่ได้แก่ต้องการยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังกรามอยู่อีกในหนึ่ง สัตย่อมไปออกไปถูกพาไปถูกนาไปเพราะกามตัญหาอธิบายว่าเหมือนมนุษย์ย่อมไปออกไปถูกพาไปถูกนำไปด้วยยานพาหนะคือช้างมา้าโคแพะแกะอูดหรือลาชั้นใดสัตย่อมไปออกไปถูกพาไปถูกนำไปเพราะการมตัญหาชั้นนั้นเหมือนกันรวมความว่า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 คำว่าสัตว์ได้แก่สัตว์นรชนมนบบุรุษบุคคลผู้มีชีวิตผู้เกิดสัตว์เกิดผู้เป็นไปตามกรรมมนุษย์รวมความว่าเมื่อสัตว์กวยความพอใจแล้วคำว่ากรามเหล่านั้นเสื่อมไปได้แก่กรามเหล่านั้นเสื่อมไปหรือสัตว์นั้นเสื่อมจากการรมทั้งหลายกรมเหล่านั้นเสื่อมไปได้อย่างไร คือเมื่อจัดนั้นดำรงชีพอยู่นั่นเองพวกศัพท์พินาศเพราะเหตุแปดประการคือหนึ่งถูกพระราชาริบสองถูกโจรปล้นสถูกไฟไหม้สถูกน้ำท่วมพัดพาไปหถูกทายาทผู้ไม่เป็นที่รักรักขโมยไปหโพวกศัพท์ที่ฝังไว้แล้วหาไม่พบเจกิจการล้มเหลวเพราะจัดการไม่ดี มีคนล้างผลาญตระูน ล, ล้างผลาญรุกรานทำลายาพวกประซับเหล่านั้นให้พินาศเกิดขึ้นในตระกูลกรรมเหล่านั้นเสียไปเสื่อมไปคือสิ้นไปหมดไปศูญหายไปจะหลายไปด้วยอาการอย่างนี้สัตว์นั้นเสื่อมจากกรรมทั้งหลายได้อย่างไรคือเมื่อโพวกกระซับเหล่านั้นยังคงอยู่อย่างเดิมนั่นแหละสัตว์นั้นเคลื่อนตายศูญย์หายไปจะหลายไป สัตนั้นย่อมเสียไปเสื่อมไปพือสิ้นไปหมดไปสูญหายไปสลายไปจากกา ร, รทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าโพวกทรัพย์ถูกโจรปล้นพระราชาริบเอาไปไฟไหม้เสียหายอันหนึ่งบุคคลผู้เป็นเจ้าของย่อมทอดทิ้งชิระพร้อมทั้งทรัพย์สินไปเพราะความตาย นักปราชาบดังนี้แล้วพึงใช้สอยและให้ทานครั้นให้ทานและใช้สอยตามสมควรแล้วจึงไม่ถูกนินทาย่อมเข้าถึงสวรรค์รวมความว่ากรามเหล่านั้นเสื่อมไปคาว่าสัตว์นั้นย่อมเจ็บปวดเหมือนถูกลูกศอนแทงอธิบายว่าสัตว์ผู้ถูกลูกศรเหล็กแทงก็ตามถูกลูกศรกระดูกลูกศอนงาลูกศอนเขา หรือลูกศรไม้แทงก็ตามย่อมเจ็บปวดดิ้นรนกระสับกระส่ายเดือดร้อนเจ็บกายเจ็บใจฉันใดเพราะวัตถุกลามแปลเป็นอื่นไปความเศร้าโศกความเครื่มครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค็งใจย่อมเกิดขึ้นฉันนั้นเหมือนกันสัตว์นั้นถูกลูกศอนคือกลามและลูกศรคือความเศร้าโศกแทงแล้วย่อมเจ็บปวดดิ้นรน ประสับประสายเดือดร้อนเจ็บกายเจ็บใจรวมความว่าสัตว์นั้นย่อมเจ็บปวดเหมือนถูกลูกศรแทงด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าถ้าเมื่อสัตว์นั้นอยากได้กรามอยู่เกิดความพอใจแล้วกรามเหล่านั้นเสื่อมไปสัตว์นั้นย่อมเจ็บปวดเหมือนถูกลูกศรแทง พระภาคตรัสว่าผู้ใดละกามได้เหมือนคนเดินเลี่ยงหัวงูผู้นั้นมีสติล่วงพ้นตัณหาที่ชื่อว่าวิสติกานี้ในโลกว่าด้วยการละกามโดยเหตุสองอย่างคำว่าผู้ใดในคำว่าผู้ใดละกามได้ได้แก่ผู้ใดคือผู้เช่นใดผู้ขนขวายอย่างใดผู้ตั้งใจอย่างใดผู้มีประการอย่างใด ผู้ถึงฐานะใดผู้ประกอบด้วยธรรมใดจะเป็นกษั์พรามแพทย์สูตรครหัตบรรพชิตเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามคำว่าละกามได้อธิบายว่าคำว่ากามได้แก่กามสองอย่างแบ่งตามหมวกคือหนึ่งวัตถุกามสองกิเลสกามเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกามเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกาม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 เพราะเป็นของทั่วไปแก่คนส่วนมากจึงละกามได้โดยการข่มไว้เมื่อพิจารณาเห็นว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนคบเพลิงญ่าเพราะไม่ลุกลามจึงละกามได้โดยการข่มไว้เมื่อพิจารณาเห็นว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหลุมทานเพลิงเพราะมีความร้อนมากจึงละกามได้โดยการข่มไว้เมื่อพิจารณาเห็นว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝัน เพราะปรากฏชั่วเวลาอันสั้นจึงละกามได้โดยการข่มไว้เมื่อพิจารณาเห็นว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนของที่ยืมมาเพราะเป็นของครอบครองชั่วคราวตามกําหนดจึงละกามได้โดยการข่มไว้เมื่อพิจารณาเห็นว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้คาต้นเพราะเป็นเหตุให้หักและให้ล้มจึงละกามได้โดยการข่มไว้เมื่อพิจารณาเห็นว่า กามทั้งหลายเปรียบเหมือนเขียงหั่นเนื้อเพราะเป็นเครื่องรองรับการตัดฟันจึงละกลามได้โดยการข่มไว้เมื่อพิจารณาเห็นว่ากลามทั้งหลายเปรียบเหมือนหอกเหลาเพราะเป็นเครื่องทิ่มแทงจึงละกลามได้โดยการข่มไว้เมื่อพิจารณาเห็นว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหัวงูเพราะเป็นสิ่งมีภัยเฉพาะหน้าจึงละกลามได้โดยการข่มไว้เมื่อพิจารณาเห็นว่า การทั้งหลายเปรียบเหมือนกองไฟเพราะเผาผรานจึงละกามได้โดยการข่มไว้ว่าด้วยบุคคลที่ละกามได้โดยการข่มไว้สิบจำพวก1บุคคลกําลังเจริญพุทธานุสติย่อมละกามได้โดยการข่มไว้2บุคคลกําลังเจริญธรรมานุสติย่อมละกามได้โดยการข่มไว้3บุคคลกําลังเจริญสังขานุสติ ย่อมละกามได้โดยการข่มไว้สบุคคลกําลังเจริญศีลานุสติย่อมละกามได้โดยการข่มไว้หบุคคลกําลังเจริญจากานุสติย่อมละกามได้โดยการข่มไว้หบุคคลกําลังเจริญเทวตานุสติย่อมละกามได้โดยการข่มไว้เจบุคคลกําลังเจริญอาณาปานสติย่อมละกามได้โดยการข่มไว้ แบุคคลกําลังเจริญมรณานุสติย่อมละกามได้โดยการข่มไว้ 9. บุคคลกําลังเจริญกายกตาสติย่อมละกามได้โดยการข่มไว้10บุคคลกําลังเจริญอุปสมานุสติย่อมละกามได้โดยการข่มไว้ว่าด้วยบุคคลที่ละกามได้โดยการข่มไว้8ปดจำพวกหนึ่งบุคคลกําลังเจริญปฐมฌาน ย่อมละกามได้โดยการข่มไว้ 2. บุคคลกําลังเจริญทุติยฌานย่อมละกามได้โดยการข่มไว้ 3. บุคคลกําลังเจริญตติยฌานย่อมละกามได้โดยการข่มไว้ 4. บุคคลกําลังเจริญจตุทษฌานย่อมละกามได้โดยการข่มไว้ 5. บุคคลกําลังเจริญอากาสานัญจายตนะสมาบัติ ย่อมละกามได้โดยการข่มไว้หบุคคลกําลังเจริญวิญญาณญจายตนาสมาบัต ย, ย, ย, ย, ย่อมละกามได้โดยการข่มไว้เจบุคคลกําลังเจริญอากินจัญญายตนาสมาบัตย่อมละกามได้โดยการข่มไว้แปบุคคลกําลังเจริญเนวสัญญานาสัญญายตนาสมาบัตย่อมละกามได้โดยการข่มไว้ บุคคลชื่อว่าละกามได้โดยการข่มไว้เป็นอย่างนี้ว่าด้วยบุคคลที่ละกามได้โดยการตัดขาดสี่จำพวกบุคคลละกามได้โดยการตัดขาดเป็นอย่างไรคือ 1. บุคคลกําลังเจริญโสดาปฏิมักย่อมละกามอันเป็นเหตุไปสู่อบายได้โดยการตัดขาด 2. บุคคลกําลังเจริญสะกะทาคามิมัก ย่อมละกามอย่างหยาบได้โดยการตัดขาด 3. บุคคลกาลังเจริญอาณาคามิมัชย่อมละกามอย่างละเอียดได้โดยการตัดขาด 4. บุคคลกาลังเจริญอรหัตมัชย่อมละกามได้หมดสิ้นไม่เหลือทุกสิ่งทุกประการโดยการตัดขาดบุคคลชื่อว่าละกามได้โดยการตัดขาดเป็นอย่างนี้รวมความว่าผู้ใดละกามได้ คิมว่าเหมือนคนเดินเลี่ยงหัวงูอธิบายว่างูเรียกว่าสับปะงูชื่อว่าสับปะเพราะมีความหมายอย่างไรงูชื่อว่าสับปะเพราะเลื้อยไปชื่อว่าพุชคะเพราะเลื้อยไปชื่อว่าพุชคะเพราะเลื้อยไปด้วยขนดชื่อว่าอุรคะเพราะไปด้วยอกชื่อว่าปัญคะเพราะมุดหัวไป ชื่อว่าสิริสปะเพราะนอนพาดหัวบนขนดชื่อว่าพิลาสยะเพราะนอนในรูชื่อว่าผู้หาสยะเพราะนอนในถ้ำชื่อว่าทาถาวุทะเพราะมีเขี้ยวเป็นอาวุธชื่อว่าโคราวิชะเพราะมีพิษร้ายแรงชื่อว่าทุชิวหาเพราะมีลิ้นสองแฉกชื่อว่าทิระสัญญู เพราะลิ้มรสด้วยลิ้นสองแฉกบุรุษผู้ปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์พึงเดินหลบหลีกเลี่ยงเบี่ยงหนีหัวงูฉันใดบุคคลผู้รักสุขเกลียดทุกข์พึงหลบหลีกเลี่ยงเบี่ยงหนีกวามทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันรวมความว่าเหมือนคนเดินเลี่ยงหัวงูคำว่าผู้นั้นในคําว่าผู้นั้นมีสติ ล่วงพ้นตันหาที่ชื่อว่าวิสัตถิกานี้ในโลกได้แก่ผู้ละกามได้ตันหาตรัสเรียกว่าวิสัตถิกาคือความกำหนัดความกำหนัดนักความคล้อยตามอารมณ์ความยินดีความเพลิดเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินความกำหนัดนักแห่งจิตความอยากความสยบความหมกมุ่นความหื่นความเห่นกระหาย ความข้องอยู่ความจมอยู่ธรรมชาติที่ทำให้พลุกพล่านธรรมชาติที่หลอกลวงธรรมชาติที่ยังสัตย์ให้เกิดธรรมชาติที่ยังสัตย์ให้เกิดพร้อมธรรมชาติที่ร้อยรัดธรรมชาติที่มีไข่ธรรมชาติที่กรำจาบใจธรรมชาติที่สร้านไปธรรมชาติดูดเส้นได้ธรรมชาติที่แผลไปธรรมชาติที่ประมวลมาธรรมชาติที่เป็นเพื่อนความคเนึงหา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 ความหวังในชีวิตธรรมชาติที่กระสิบธรรมชาติที่กระสิบบ่อยๆธรรมชาติที่กระสิปยิ่งความกระสิปกริยาที่กระสิปภาวะที่กระสิบความละโมบกริยาที่ละโมบภาวะที่ละโมบธรรมชาติที่ทาให้หวันไหวภาวะที่คล้แต่อารมณ์ดีๆความกําหนัดในฐานะอันไม่ควรความโลภเกินพอดีความติดใจ ปริยาที่ติดใจความปรารถนาความใฝ่หาความหมายปองกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาตะนหาในรูปประพบตันหาในอรูปประพบตันหาในนิโรธรูปตันหาสัทธตันหาคันธตันหารัศตันหาโพธะพระตันหาธรรมตันหาโอคะโยคะ คันทะอุปาทานอาวอนนิวอนเครื่องปิดบังเครื่องผูกอุปกิเลสอนุสัสปริยุท ธ, ธานกิเลสที่กลุ้มรุมจิตตัณหาดุดเถาวันความปรารถนาวัตถุอย่างต่างๆรากเง่าแห่งทุกเหตุแห่งทุกข์แดนเกิดแห่งทุกขบ่วงแห่งมารเบ็ดแห่งมารวิสัยแห่งมารตัณหาดุดแม่น้ำ ตันหาดุดตาคายตันหาดุดโซ่ตรวนตันหาดุดสมุดอภิชาความเพ่งเลงอย่างได้ของเขาอักุศลมูลคือโลภะคำว่าวิสัติกาอธิบายว่าตันหาชื่อว่าวิสัติกาเพราะมีความหมายอย่างไรตันหาชื่อว่าวิสัติกาเพราะแผ่ไปชื่อว่าวิสัติกาเพราะสั้นไป ชื่อว่าวิสติกาเพราะขยายไปชื่อว่าวิสติกา museums. นนเพราะครอบงำชื่อว่าวิสติกาเพราะสะท้อนไปชื่อว่าวิสติกาเพราะเป็นตัวการให้พูดผิดชื่อว่าวิสติกาเพราะมีรากเป็นพิษชื่อว่าวิสตยยิกาเพราะมีผลเป็นพิษชื่อว่าวิสติกาเพราะเป็นตัวการให้บริโภคสิ่งมีพิษ อีกในหนึ่งตัณหานั้นแผ่ไปคือสร้างไปขยายไปในรูปเสียงกลิ่นรสผุทธภะตระกูลหมู่คณะอาวาสลาบยศสันเสริญสุขจีวรบินทบาตเสนาสะนะกิฬานปัจใจเพศบริขารกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุกามภพรูปภพอรูปภ พ, ปพสัญญาพพ อสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพเอกโวการภพจตุโวการภพปัญจโวการภพอดีตอนาคตปัจจุบันรูปที่เห็นแล้วเสียงที่ได้ยินแล้วกลิ่นรสโผฏฐะทิที่รับรู้แล้วและธรรมารมที่พึงรู้แจ้งฉะนั้นจึงชื่อว่าวิสัติกาคำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลก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 เพราะเป็นผู้กระทำสิ่งทั้งหลายที่ควรทำด้วยสติ 3. ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้กำจัดสิ่งทั้งหลายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับสติ 4. ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ไม่หลงลืมทำทั้งหลายที่เป็นมูลเหตุแห่งสติมีสติด้วยเหตุอีกสีอย่างคือ 1. ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยสติสชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ชำนาญในสติ 3. ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้คล่องแคล่วในสติ 4. ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ไม่หวนกลับจากสติมีสติด้วยเหตุอีก4อย่างคือ 1. ชื่อว่ามีสติเพราะมีอยู่ตามปกติ 2. ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้สงบ 3. ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ระงับ 4. ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของสัตว์ปรุษ มีสติด้วยเหตุอีกสิบอย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติเพราะเราลึกถึงพุทธคุณสองชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงธรรมคุณสชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงสังฆคุณสชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงศีลที่ตนรักษาหชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแล้วหชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงคุณที่ทำคนให้เป็นเทวดาเจ็ 7. ชื่อว่ามีสติเพราะตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกแชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงความตายที่จะต้องมีเป็นธรรมดาเก้าชื่อว่ามีสติเพราะระลึกทั่วไปในกายให้เห็นว่าไม่งามสิบชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงธรรมเป็นที่สงบประนับกิเลสและความทุกข์คือนิพพาน สติคือความตามระลึกถึงความระลึกได้เฉพาะหน้าสติคือความระลึกได้ความจําได้ความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติคือสตินสีสติที่เป็นใหญ่สติภละสติที่เป็นกําลังสัมมาสติระลึกชอบสติสามโพชงสติที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ธรรมเอกายนะมักสติที่เป็นทางเอก นี้แหละตรัสเรียกว่าสติบุคคลผู้ประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อมเพียบพร้อมแล้วด้วยสตินี้ผู้นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าผู้มีสติคำว่าผู้นั้นมีสติล่วงค้นตันหาที่ชื่อว่าวิศัติกาณีในโลกอธิบายว่าผู้มีสติย่อมข้ามข้ามไป ข้ามพ้นก้าวล่วงล่วงเลยตันหาที่ชื่อว่าวิสัทธิกานี้ในโลกรวมความว่าผู้นั้นมีสติล่วงพ้นตันหาที่ชื่อว่าวิสัทธิกานี้ในโลกด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าผู้ใดละกามได้เหมือนคนเดินเลี่ยงหัวงูผู้นั้นมีสติล่วงพ้นตันหาที่ชื่อว่าวิสัทธิกานี้ในโลก มีพระภาคตรัสว่านรชนใดปราถนาเ น, นืองๆซึ่งไร่นาที่ดินเงินโภมา้าธาตุบุรุษสตรีพวกพ้องหรือการเป็นอันมากคําว่าไร่นาเนื้อคำว่าไร่นาที่ดินเงินได้แก่นาะข้าวสาลีนาะข้าวไร่ถั่วเขียวไร่ถั่วราชมาศนาะข้าวเหนียวนาะข้าวละมานไร่งา คำว่าที่ดินได้แก่ที่ปลูกเรือนที่สร้างยุ้งช้างที่หน้าเรือนที่หลังเรือนที่สวนที่อยู่คำว่าเงินได้แก่เหรียญกระสาบตรัสเรีย ก, รรกว่าเงินหมายความว่าไรนาที่ดินเงินคำว่าโคม้าธาตุบุรุษมีอธิบายดังนี้โคทั้งหลายตรัสเรียกว่าโค สัตว์ทั้งหลายมีปัสุสสัตว์เป็นต้นปรัจรเรียกว่าม้าคำว่าทาตได้แก่ทาตสีจำพวกคือหนึ่งาตที่เกิดภายในทาตในเรือนเบี้ยสองาตที่ซื้อมาด้วยซับธาตสินไทยสผู้สมัครเป็นทาตเองสี่เลยที่ตกเป็นทาตสมจริงดังที่วิทุระบัณฑิตโพธิสั์กล่าวไว้ว่าคนบางพวกเป็นทาตโดยกาเนิด บางพวกเป็นธาตที่เขาซื้อมาด้วยซัพย์บางพวกสมัครเข้าเป็นทาตเองบางพวกตกเป็นเฉลยจึงยอมเป็นทาตคําคว่าบุรุษได้แก่บุรุษสามจำพวกคือหนึ่งลูกจ้างสองกรรมกรสามพวกอยู่อาศัยรวมความว่าโพมา้าทาตบุรุษคําว่าสตรีพวกพ้องหรือการเป็นอันมากมีอธิบายดังนี้ หญิงที่มีผู้คุ้มครองตรัดเรียกว่าสตรีคำว่าพวกพ้องได้แก่พวกพ้องสี่จำพวกคือหนึ่งพวกพ้องโดยความเป็นญาติสองพวกพ้องโดยสืบตระกูลสพวกพ้องโดยการร่วมเรียนมนต์สพวกพ้องโดยการร่วมเรียนศิลปะวิทยาคำว่ากล้ามเป็นอันมากอธิบายว่าก้ามหลายอย่างก้ามหลายอย่างเหล่านี้คือ รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะทที่น่าชอบใจรวมความว่าสตรีพวกพ้องหรือการเป็นอันมากคำว่าใดในคำว่านรชนใดปราถนาหนึ่งเนืองอธิบายว่าผู้ใดผู้เช่นใดผู้ขวนขวายอย่างใดผู้ตั้งใจอย่างใดผู้มีประการอย่างใดผู้เข้าถึงฐานะอย่างใดผู้ประกอบด้วยธรรมใด จะเป็นกษัติย์พราหมณ์แพทย์สูตรคระหัตบรรพชิตเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามคำว่านรชนได้แก่สัตว์นรชนมนุษย์บุรุษบุคคลผู้มีชีวิตผู้เกิดสัตว์เกิดผู้เป็นไปตามกรรมมนุษย์คำว่าปรารถนาเนืองๆได้แก่ปรารถนาปรารถนาเสมอเสมอปรารถนาทั่วไป ปรารถนายิ่งยิ่งขึ้นไปในวัตถุกรามเพราะกิเลสกรามรวมความว่านรชนใดปรารถนาเนืองเนืองด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่านรชนใดปรารถนาเนืองๆนืองซึ่งไรนาที่ดินเงินโคมา้าทาตบุรุษสตรีขัวพองหรือกามเป็นอันมาก